เ้ปริปาจิตตะศกขาบท82ถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ฉันบินธบาตที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมณที่ไหนตอบทรงบัญญัตณกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเทวทัตถามเพราะเรื่องอะไร